กลางเดนแปดและเป็นวันที่ธรรมะเข้าถึงใจพระัญญาโกณธรรัญญาพระัญญาโกณธัญญานี้ได้เป็นพระ อ, ญญอริยสงฆ์องค์แรกได้เกิดธรรมะจัดสุขได้ดวงตาเห็นธรร ม, มเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นอนิจจังละ่ะเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่คงทนเห็นความแปรปลวดปรวนเห็นความเปลี่ยนไปของรูปธรรมของนา ม, มาธรรมพระพุทธเจ้าได้อุทานออกมาโอ้คนทัญยะเธอได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอคนทันยะได้รู้แล้วหนอ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 เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหมู่ในบรรดาฤาษนะีทั้งห้านั่นแหละฤาษีทั้งห้านั้มีความเป็นมามีประวัติย้อนหลังความเป็นมาพระอัญญาโกธัญญาณนี่ท่านเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระเยาว์ที่พระเจ้าสุโธธนะเนี่ให้พราหมณ์ไปไทยมหาปริศลักษณะ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 เผื่อท่านได้ตรัสรูธรรมและจะสอนเราบ้างเราจะได้บรรลุธรรมตามวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิเนี่ยในบรรดาลูกของพราหมรย์ร้อยแปดออกบำเพ็ญอุปธรรมประทา ม, มีพระอัญญาโกธัญญาเป็นหัวหน้าเรียกว่าปัญจวัคคีตามอุปธรมประาพุทธเจ้าไปทุกมณฑุทุกแห่ง คอยดูแลคอยปฏบัธรรมอยู่ในสายหูสายตาทุกระยะทุกวันเวลานาทีพระเจ้าไปบปําเพ็ญทุกเรียกรรกิริยาแบบไหนประเภทไหนก็ตามในบรรดาการไปลองปฏิบัติ ด, ดูในรักที่ต่างๆเป็นเวลาถึง6ปีก็ไม่มีท่าทีว่าพราะองค์จะได้บรรลุธรรมจะได้ตรัสรู้ธรรม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 ไม่มีกิเลสที่จะโลอโออกมาได้เอาความสงบนั้นนะ่ะไปปิดไปทับไปกดเอาไว้กิเลสแสดงออกมาเพียนผ่านไม่ได้ภายในภายในจิตของกขอกดาบดอลรดาบดแต่หลังจากพระองค์ประรบุทธเจก็มีเทพธิดาบอกบอกว่าดาบด ท, ทั้งสองนั้นนะได้รับ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 ตาก็สว่างรอดเป็นมาจิตใจก็เช่นเดียวกันเป็นผู้มีจิตใจที่ละเอียดจากนั้นแล้วก็ประรพบว่าจะไปสอนปัญญกีคืนวันเพลเดือนหกวนนั่นั้นวันที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นสมมาส ม, มุทัก์พระองค์ประรพบความเพียรทางใจเมื่อก่อนนั้นระยะก่อนนั้นไม่นานพระองค์ประรพ ว่าจะ บ, บงเพ็ญความเพียรทางใจเลยหันมาสเสวยพระกยายารเพื่อให้ร่างกายมีกำลังวังชาเนื่องจอากว่าการทรมารร่างกายนี่ยรมาณหมดแล้วทุกแบบทุกวิธีต้องอดข้าวอดนอนอดอาหารทำยังไงทำหมดทำได้ยิ่งกว่าพรามมนาเรือารีชี ช, ชีตรามในในสมัยนั้นสิก็ไม่มีที ท, ทวมาจะได้บรรลุธรรมก็เลยปรารว่าจะทำความเพียรทางใจ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชาสะหน่อยเพราะตามที่พวกเราทราบจากพุทธประวัติน่นนะพร้ อ, อมโู้จี้เดินไปไหนมา โ, โซซักโซเซจะล้มแหลไม่ล้มแหลมพวกเลี้ยงคอเลี้ยงอะไรต่างๆเขาเห็นโอ้พระสมณโคดมเนี่ยสุดสมากนะพอมมากเนื่องจากว่าทรมาณทรมานกายนะ เราร่างกายสุดซ้อมขนาดนี้แล้วเนี่ยจะบำเป็นความเพียรทางใจขนาดจะไม่เหมาะก็เลยมามาสเสวยพระกยายฐารบรญจวบขี่ก็เลยท้อใจที่พระสมณโคตดมนีคลายความเพียรเสร็จแล้วปร้มนันนะ้เราตัง้ง อ, อกตั้งใจว่าจากพระธรมวถามเมื่อพระองค์บรรุษแล้วจะได้ครับได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง เลาจะได้รู้ทมตามแต่ตอนนี้ทำให้พวกเราผิดหวังใช่แล้วเป็นผู้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความมากัมกมากเสียแล้วหลังจากปรารกเสียแล้วกันนีจากพระองค์หนีจากตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเนี่ยแคว้นราจพฤึเนี่ยที่ที่พุทธคยานะไปอยู่นูน่นอาภารณาะศีนี่ย อยู่แคว้นพาราณสีอยู่ที่ปาอิสีปัตนามฤิ ก, กาทยวันอยู่คนละแคว้นทีเดียวอยู่แคว้นพาราณสีพาระลึกได้กับโพระองก็ตัดสินใจบอกจะไปโปรดเพราะว่าด่าบทอุทกดาบลาราดาบทก็ถึงแก่กรรมไปแล้วคนที่มีอุปการะคุณที่มองเห็นก็คือพระอัญญาโคนทัญญาวัปปะพัทธิยะมานาม า, าอัสสิชก็เลยตกลงพระทัยไป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 พวกเราจงตั้งน้ําเอาไว้ปูอาสนะเอาไว้มีความประสงค์จะประทับนั่งก็แล้วแต่พระองค์ตรงจะไม่ประทับนั่งก็แล้วแต่แต่พวกเราจะปูไว้อย่างนั้นแหละจะไม่พากันวิ่งรับบาตรวิ่งรับจีวรวิ่งน้างพระบาทอะไรทําเหมือนอย่างที่เคยประธรบมัาทธรรมเมื่อคราวก่อนนี่คือกิริยาแสดงกิริยากระด้างกระเดื่องกับ พ, พระพุทธเจ้า พอพระองค์เสด็จไปถึงใ้คําที่เคยพูดกันไว้ยังจำลืมใชว่าจะไม่ให้วิ่งรับบาดวิ่งรับจีวรวิ่งล้างเท้าวิ่งอะไรต่ออะไรคนหนึ่งก็ไปรับบาดคนนึงก็ไปรับจีวรคนหนึ่งก็ไปตัดน้ํามาล้างพระบาทคนหนึ่งก็ไปนมมือน้อมคอยกราบค่อยไาว้ลืมหมดเนี่ยบุญญาลุภาพพุทธานุภาพจากนั้นแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเราได้ผ น, นุนธรรมแล้ว ประมาณที่นี่เรามีความประสงค์จะแสดงธรรมให้พวกเธอจงตั้งใจฟังแล้วจะารู้ทั่วถึงในธรรมของเราที่แรกก็ไม่เชื่อแสดงความก็ด้างเดื่อองค์จะบรรลุธรรมได้อย่างไงในเมื่อคลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อเป็นผู้มากๆทูตเจ้า ก, ก็เลยเตือนสติว่าเมื่อก่อนนั้นเราเคยบอกเธอไหมว่าเราได้บรรลุธรรมเธอจงระลึก ย, ย้อนหลังดูว่า ทำแบบนี้เราเคยพูดให้พวกเธอได้ยินได้ฟังไหมเท่าที่ระยะเวลาห้าหปีตามอุปธรรมวัเลยระลึกได้ว่าพราะองค์ยังไม่เคยพูดก็เลยมีความอบหุนใจว่าน่าจะเป็นความจริงก็เลยต้องทนฟังคุณริยากรเลยสงสดงพระถมเทศนาแสดงธรรมไจับ ก, กับประวัตินาสนูว่าด้วยส่วนแห่งจักคือทํา จับคืนทำทำรม่จับกับพระวัตนสูตรธรรม่รรมจากกับพระวัตนสูตรนี่รรกกนสนแสดงถึงสายทางปฏิบัติสายทางหนึ่งตึงเรียกว่าอัตตกิลมถานิยตสายทางอีกอันหนึ่งคือย่อนยานจนใช้อะไรไม่ได้เรียกว่ากาลมาสุขานโยตและก็สายทางที่กลางกลางเดินไปได้สะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์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 ท่าพูดถักถึงฐานไม่ควรเดินตึงเกินไปตึงเกินไปคือทรมานกายให้ลาบากเปล่าอัตรกระมถฐานโยกเพราะบรรดาหรือสีชีไรสมัยนั้นเน่ยเขาบงเพ็ญบงเพ็นลำน บ, บัดทรมานกายทรมานกายใครสามารถทรมานได้ได้นักกว่าใครเพื่อเป็นการทำให้กิเลสภายในใจเนี่ยเหือดแห้งไป ไม่ได้ทรมานใจนะเป็นการทรมารกายหลวเจ้าท่านประทรงทรมาจนหมดแหละหมดกําลังหมดความสามารถแหละไม่เห็นมีท่าทีวาจะได้บรรลุธรรมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการพัฒนาอุกการาโยกการประกอบตนทัวพันุ์ในกามการประกอบตนทัวพันธุ์ในกามนี้ถ้าเราจะมาวินิจฉัยแบบความนึกคิดของเราก็คือกามทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันเป็นเหยื่อของตันผา มราการมทั้งหลายทั้งปวงนั้มันเป็นเหยื่อของตัณหาในเมื่อเราเอาการมมาบำรุงบำเรอก็เท่ากับว่าเราเอาอาหาร อ, อันโอยฉับนี่แหละไปบำรุงบำเรตันหาคือความอยากภายในใจภาษาบาลีท่านใช้คําว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานหรือความอยากความอยากในมีกิริยาที่จิตของเราเราดูไปที่จิตเราเเราจะเห็นกิริยาของความอยาก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 ไม่มีโอกาสแล้วนเะนื่งองจากว่าเท่ากับว่าเอาปุ๋ยไปใส่มันเสร็จแล้วก็อัตกิลานุรมถานุโยก็คือทรมานกายโดยที่แท้จริงกายนี่เป็นผลผลของใจกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่กายกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจด้วยเหตุที่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจมีที่ใจนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เราได้พบได้ฌา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 เป้าหมายไม่ได้สมมติอย่างกรุงเทพมันอยู่ด้านตะวันตกเนี่ยเราเดินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนั่นน่ะคือเดินผิดทางไปแล้วแต่ในใจรบพรึงํำพันว่าเราไปกรุงเทพเราไปกรุงเทพยิ่งก้าวเท้าไปทา่าก็ยิ่งหางกรุงเทพไปเท่านั้นนี่เขเรียกว่าทางผิดเหมือนอย่างเราไปหนองอ้อเนี่ยต้องการจะกลับหนอง อ, อ้อแต่ในขณะเดียวกันเราหันไปทางหนองบวลำพูนั้น เรากลับบ้านเรากลับบ้านยิ่งก้าวเท้าไปเท่าก็ยิ่งห่างบ้านไปเท่านั้นอันนี้เขาเรียกทางผิดมัชชีมาปฏิปทาคือทางสายกลาง น, นั่นแหละอันนี้สันหับเป็นทางตรงเป็นทางถูกเป็นทางตรงเป็นทางสายกลางคําว่าถูกคาว่าตรงนั่นแหะคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อหักล้างกับกิเลสได้อย่าง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 สหยนี้มันไม่ถึงไม่หย่อนเป็นสายกลางกลาดคำพูดนี้เป็นคำพูดอุปมาแต่แท้จริงคำพูดนี้ข้อปฏิบัติของคำพูดนี้เป็นการสอนถูกเป็นการสอนตรงเพื่อที่จะก้าไปสู่เป้าที่เราต้องการได้ผลอย่างเต็มเปี่ยมร0อเปซนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาจึงประกอบไปด้วยองแปด สัมมาทิฏิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อสรุปแล้วก็ได้แก่ศินสมาธิปัญญาสัมมาทิฏิสัมมาสังกปะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวเป็นเรื่องของของสินสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิเริ่มต้นด้วยปัญญา มาทำกลางในข้อขอ ง, ขอ ง, ของมัมมิองเป็นเริ่มด้วยศีลและอีกสามข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิรวมแล้วคือศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี่จะส่งพลังส่งช่วงให้แก่กันและกันศีล ส, ส่งช่วงให้กับสมาธิสมาธิส่งช่วงให้กับปัญญาเร า, าเห็นว่าความปรารถนาคือเราปรารถนาปัญญา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 คงเป็นไปไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องมีสมาธิสมาธิในจนวนปัญญาทีนี้สิ่งที่กวนสมาธิทำให้จิตสงบไม่ได้ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเพื่อตัดกำลังของกิเลสท่านจึงให้เรามีศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องกากับกายให้สงบระงับเป็นเครื่องกากับวาจาให้สงบระงับ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 ของกิเลสที่มันทะลักออกมาทางกายออกทะลักออกมาทางวาจาท่านจึงให้สงบระงับกายซะด้วยข้อปฏิบัติอไม่ค่าสัต์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาศไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อเพื่อไม่ให้มันทะลักออกมาทางวาจาเมื่อเราสงบระงับเหตุที่เกิดความกระทบเถือนทางกายได้กายก็สงบ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 เป็นปัญญาขั้นรักษาตัวรอดนะไม่ใช่ปัญญาเพื่อที่จะขุดค้นขั้นมูลฐานของสมุทัยที่แท้จริงแต่เป็นการรู้ตัวสติคือความประลึกได้สำัำชัญญ็คือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเจ้าของกำลังภาวนาอยู่กลาลังบริกรรมอยู่กลาลังทำให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอยู่นี่เราก็ภาวนาเราก็บริกรรมเพราะฉะนั้นศีลจึง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 ให้เราต้องเล่าร้อนเกี่ยวกับเรื่องกายชั่วเหตุที่จะทำให้เราต้องเล่าร้อนเกี่ยวกับเรื่องวาจาชั่วเราก็สงบขั้นหนึ่งมันไม่ไม่มีเรื่องที่จะมากอ่อกวนจิตให้ต้องคิดเรื่องผิดศีลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะทลกักออกมาทางกายทลกักออกมาทางวาจาจิตก็สงบระงับขั้นหนึ่งนะทีนี้เราก็ไปทาการให้จิตได้รับความสงบ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 ยิ่งใส่ไปเท่าไรแบบไม่หมดจากไฟกองลเล็กๆเนี่ยเอาเชื้อมากๆยิ่งโยนใส่ไปเท่าไรแบบยิ่งเป็นไฟกองใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีจุดจบเนื่องจะว่ามันเป็นเชื้อของไฟวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายมันเป็นเครื่องดึงดูดของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจยิ่งเอาเรายิ่งเอาวัตถุ ก, การมทั้งหลายเนี่ยไปล่อใจใจก็ออกมากินทันทีเพราะเป็นอาหารอันโอชะของมัน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 อาหารคือความสุขความอิ่มกับความสุขอั น, นี้เนี่ยมันมีผลที่ยิ่งใหญ่กว่ารรบปล่อยจิตให้ให้ให้เขาไปไปพอใจกับสิ่งข้างนอกไอ้ที่เราเคยเห็นรูปนั้นชอบชอ บ, ชอบมันตกไปแล้วแหะมันมีรสชาติสู้โอชะของธรรมะที่อยู่ภายในใจไม่ได้โอชาภายในใจดีกว่าอิ่มเออมีความสุขไม่ก่อควน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 สาวไปสาวไปสาวไปก็ไปเจิงหลักต่อของมันอะคือตันหากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานันแยกออกมาเราดูที่ไหนไม่เห็นดอกเราดูไปที่ใจของเราเราเห็นการมาตันหาก็ทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องการกามตันหาภาวะตันหาปะทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องพบหรือเรื่องจยากอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาก็คือไปดัดแปลง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 สติของของสังขารก็คืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไปเกณฑ์อีกแล้วแหละะอยากให้เขามีความสุขทั้งๆที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เขามีความเปลี่ยนแปลงก็ไปเกณฑ์เขาให้เป็นไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นนิจจังแต่เขาก็เป็นอนิจจังไปกัดไปเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรเขาเป็นไปตามภาวะของเขาแต่เรามา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 ได้เป็นเกิดปัญญาญาขึ้นมามีความน้อมใจเชื่อร้อยเปอรเซ็นโอวนิจจังโอทุกขังโอวานัตตามีความน้อมใจเชื่อร้อยเปอร์เซตเราก็ปล่อยกายได้เราไม่ปล่อยมันก็ปล่อยโดยอัตโนมัตินึจกจะว่าเรารู้เราเข้าใจมันเราปล่อยกายได้ความเป็นไปของจิตเราพยายามสอบไปเรื่อยสอบไปเรื่อยสอบเรื่อยชักไปเรื่อยชักไปเรื่อยจนหมดตัวที่เป็นพิษเป็นภยัยภายในใจ อันนี้เป็นทางตรงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเป็นทางสายกลางไม่ใช่อัตกระกลมันานโยบประกอบตอนให้ให้เหน็ตเนยเปล่าไม่ใช่การมาสุคานิการโยบหมกมุ่นในกรรมแต่เป็นทางสายกลางและก็สามารถต่อกร ก, ก, กันกับสิ่งที่เป็นปฏิปัตษกับความเกิดกับการเกิดกับการแก่กับการเจ็บกับการตาย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 สิ่งเหล่านั้นถ้าเราชี้ไปให้ชัดก็คือความที่จิตไม่ฉลาดรอบรู้ในภาวะของตัวเองพุทธเจ้าท่านทรงใช้คําว่าอาวิชชาอาวิชชาเมื่อสราสองไปเราส่องไปจิตเราสว่างสวยัยก็กลายเป็นวิชาตอนที่ยังไม่สว่างอาวิชชามันเป็นเหตุเป็นปยยัจจัยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอะไรมาจนเกิดทุกขโทมน า, า, า, านัสสัพยญาตเป็นเส้นเป็นสายแต่ตอนที่เราย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไปสามารถดับอวิชชาได้ก็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 ที่เจท่านสอนให้เอาธรรมะเข้าไปสู่ใจแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังพระัญญาโทฏัญญักษได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสะดาบันพระโสะดาบันก็คือเป็นผู้เข้าถึงกระแสะของธรรมเข้าถึงกระแสะธรรมแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยพัฒนาไปตามกระแสะของธรรมนั่นแหละไปตามกระแสะของธรรมเหมือนน้ํา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 มากน้อยเท่าไหร่อยู่กับความอุตสาห์พยายามกับความสามารถของเราเท่านั้นเองที่เราจะใช้ความที่เราจะใช้โอกาสตะตวงเอาให้เต็มอิ่มเต็ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นบารมีอ น, นี้เราต้องสร้างเอาเราต้องทําเอาโอกาสอันนี้เราต้องทําเอาอืนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อชาระ ก, กองทุกข์ให้หมดไปจากใจน่าเลยนะน่าจะพอสมควรแก่เวลาละ ได้พูดหลักปฏิบัติพอเข้าใจจับได้ช่วงไหนพอเอาไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ได้ก็อเอาไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์อันนี้เพื่อเพื่อความสุขทางด้านจิตใจเอาอาหารคือธรรมะเข้าสู่จิตใจและเพื่อความสุขของใจเพื่อการยกย่อบสลายไปของกิเลสตันหาอาสวัภ า, ายในหัวใจเราก็จะประสบความสุขความเจริญ อ่าพอสมควรเป็นเวลาแล้ว